ท่นานสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็มาพกบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องราวของมโหสถเมื่อวันก่อนมายับยั้งอยู่ตอนที่มโสหสถเป็นนักรสบสัมภาระท่างหลายเหล่านั้นที่ประกอบขึ้นในการสร้างเมืองผลทัพสัมภาระออกจากเรือทั้งหมดแล้ว ยังได้นําเรือไปจอดไว้ในที่มิคิดปกปิดไว้ไม่คนภายนอกได้เห็นแล้วก็เลยสั่งให้คนไปจําเรือว่าท่านทั้งหลายก็นําเรือนี้ไปซ่อนไว้ในที่เราสั่งแล้วก็เวลาที่นําเรือมาเมื่อไรเราสั่งเมื่อไรให้นํามาเมื่อนั้นอันนี้เป็นคําสั่งของมโหสถให้กายก่อสร้างเครื่งองประกอบตัวเมือง เสร็จเรียบร้อยแล้วคือมีคูน้ําเห็นไหมคูที่ขุดก็มีน้ําเต็มกว้างมากแล้วก็มีคูเปิดตุ่มใหมายความว่าจากคูน้ําจะเข้ามาตีเมืองต้องว่ายน้ํามาก่อนต่อไม่ีกคูหนึ่งก็มีคูเปิดตมเดินลงไปมันจมไปแค่เอวเคลื่อนไหวเลย น, ะนี่การยุทธวิธีนะ่ะดูคนน่ะนะ ดูว่าเขาทํากันแบบไหนถ้าโครูแห้งไอ้เขามาครูแห้งในครูนี่แห้งหรือไม่มีน้ําไม่มีเ บ, บปตมไม่มีเกลืตมตอนเดินลึกเ น, นมันจครูแล้วก็ตายขึ้นมานี่มันเป็นภัยสําหรับข้าสึกถ้าสึกไกลเข้ามาได้ก็ตายกันเยอะดีก็ไม่ดีก็ถมโครูเต็มไร้ากศพแล้วมีกําแพงสูงสิบแปดตอกหกสามสิบแปดสามวา เป็นอนว่าเรีย์ซีซีซีซีซีสิบหกโอโีว่าสศงสองแต่สูงไม่เฉลนนะแล้วก็มีป้อมป้มประตูเมืองนะป้อมมีที่ประตูเมืองแล้วก็ป้อมมีที่ซุ้มของเมืองซุ้มประตูเมืองแล้วก็พระราชินิเวศเรามีป้อมที่ประตูเมืองแล้วก็มีซุ้มประตู มีพระราชินีเวย่ยคือสถานที่ประทับของพระราชามีโรงช้างมีสถาปนมีและอื่นๆการก่อสร้างเนเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างใช้เวลาเพียงสี่เดือนเห็นความสามารถสมัยลูกหลานที่รักการก่อสร้างและทำงานทุกอย่างด้วยความเต็มใจมันดูขอไม่ยากจะต้องปูสร้างวัดเนี่ย ต้องปลสร้างฝั่งวัดธนวันตกแล้วเสริมสร้างธนวันออดด้วยใช้เวลาจริงๆสี่ปีแล้มาดูกันก็แล้วกันว่าถ้าเราทํากันจริงๆแล้วก็บางแห่งสร้างวิถีหลังเดียวห้าปีไม่เสร็จนั่นก็นหมายความว่าไม่ได้ตั้งใจทาจริงมีกําลังใจอ่อนการทําก็โยเ ย, ยโยกเกล็ดเพราะว่า เอางอี้แล้วกันวางแผงโกงกันดีกว่าถ้าเราทำจริงมีใจเด็ดเดี่ยวสั้จริงๆแนละ้วทุกสิ่งทุกอย่างมันสร้างเสร็จไม่ยากดองงานที่ทำนี่เราก็ทำให้มันราคาถูกได้ยังไงก่อสร้างของปู่มาสนนดได้เลยว่าถ้าเขาตั้งราคารับเหมาหนึ่งล้านหลวงปู่จะสร้างเสร็จภายในราคาห้าแสนบาท แล้วก็รับรองว่าของดีกว่าการรับเหมาตั้งเยอะวิธีนี้เราทำยังไงเราก็จ้างช่างเฉพาะแรงงานวัตถุ ก, ก่อสร้างเราหาเขาเองอันอย่างนี้ช่างเขาไม่กลัววัตถุหมดทั้งที่เราใช้กาลังในการต้อนรับการนับกําลังน้ําหนักอย่างเหล็กเขาใช้สี่เส้นเราอาจจะใช้หกเส้นเหล็กเขาใช้สี่หุนเราอาจจะใช้แปดหุนก็ได้ เห็ยังไงยังไงมันก็สร้างถูกกว่ากวากว่าที่รับเหมาเพราะการรับเหมาเนี่ยเขาต้องคิดก่อนที่เกิดซองเปิดซองประมูลก่อนอยาการยายเขียนแบบเขาก็จะต้องมีกาไรแล้วเขาก็ต้องเผื่อไว้ถ้าทําสร้างสร้างไม่เสร็จถึงเงินค่าแรงงานเขาคิดเผื่อไว้ค่าของก็คิดกันในระค ข, ของบมิษัทขอราคา ข, ขึ้นไป เขาเต้องกันไว้หมดสําหรับของเราทํายังไงเราจ้างช่างเขาเท่าไหร่เราซื้ออะไรกํา ไ, กไรของเราไม่มีเพราะมันเป็นบ้านของเราดะนั้นเหมือูยังสร้างอย่างแพงที่สุดเท่ากับราคาห้าสิบเปอร์ซ็นของการรับเหมาส่วนใหญ่ราคาจริงๆเป็นแค่สี่สิบเปอร์ซ็นของราคารับเหมาเท่านั้นแล้วถามว่าทําไมจึงทําเร็วเพราะว่าวัตถุ ก, ก่อสร้างของเราไม่อัน ถ้าเราพร้อมทุกอย่างท่านก็ทําได้ดีเรื่อเราอย่างนี้อย่าไปบันามเขาเอาไว้เป็นตัวอย่างเอาไว้เป็นตัวอย่างสําหรับลูกหลานมโหสถท่านทํางานเสร็จภายในระเสี่เดือนได้ทําการใหญ่ขนาดนี้ทำไมยังทำไม่สเร็จเพราะว่าคนทุกคนล่ะเขาไม่ขี้เกียจโดยเฉพาะ อ, อย่างนี้ผู้คุมงานก่อสร้างต้องพูดดี ไม่ไดพูดเร็วถ้าที่ไหนเราไม่ชอบใจแล้วก็เรียกช่างมาปรึกษาหารือกันเพาอย่างนั้นดีไหมอย่างนี้ดีไหมแบบนั้นดีไหมพยายามทำได้ไหมช่างก็บอกทำได้ครับลรวก็โอ้ขอบใจขอบใจนะขอบใจดี และใ้ที่สุดเวลาใครเข้ามาถามว่าต้นนี้มันดีเพราะอะไรแล้วก็บอกช่างเขาเป็นความคิดเห็นของช่างในช่างเขาแนะนําให้ทําอย่างนี้เมื่อช่างได้รับทราบคำแนละชมเชยแบบนั้นก็มีกําลังใจเห็นอะไรว่าไม่เหมาะไม่ควรก็ทําดีขึ้นไปอีกนี่เรื่องการพูดดีมันเป็นสีกับตัวและมีประโยชน์กับเราเล่าเรื่องของท่านต่อไปตอนนี้ตามวข้ อ, ข อ, ขอเรื่องท่านบอกว่าพระเจ้าวิทาเทีารเสเ็จ ไปอุตรปัญจาลนาคร อ, อันนี้หมูตัวใหญ่ไปแล้ว <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> พระเจ้าจุนนีพระมทัดดีใจสินะหมูสองตัวคือหนึ่งมโหสถสองพระเจ้าวิเทาราชเสร็จแล้วคราวนี้ตายแน่ไม่เหลือเสร็จหลงกลท่านแล้วแต่ใครเราจะเป็นคนเสร็จดูกันต่อไปการก่อสร้างตามแผน การของโมโหสุดไดเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่ศพยันรีสองทูตไปรรเชิญเสด็จพระเจ้าวิเทราชให้สเสด็จไปได้แล้วไม่คนยะนอนฝันหวานอยากได้เมียส า, าวไม่ตั้งสี่เดือนนี่ยโอ้โหแต่ไม่เป็นไรมันเป็นความหวังที่พึงคิดหวังได้จิตใจมันก็ชุมชื่นไม่แห้งแล้ว เมืเจ้าวิทาเทราชได้ทรงมีกามัชื่นชมโส ม, มนัสเป็นอย่างยิ่งเทวันนะดีใจมากได้เสด็จออกจาเมืองมิถิลาหมหานาครพร้อมไปด้วยจาตุรงกรเสนาจา่ตุรงกรเสนานี่คือกองทัพสี่เราขึ้นหนึ่งกองทัพช้างสองกองทัพมา้าสามกองทัพรถสี่กองทัพคนเดินเท้า จำไมนานสู่ลัทธิรัตท่านในหอสดได้ออกไปไปรับที่ฝั่งคงคาคือฝั่งไม่น้ำเมื่อขบวนเสด็จมาถึงก็นำเข้าสู่ที่คนครนครที่ตนสร้างไว้พระเจ้าวิเทราชได้เสด็จปยามศาสตร์อนโอนลานเตร่การตามแม่ประทับอยู่พอสมควร เวลาเย็นก็ส่งทูตให้นําพระราชสารพรถวายพระเจ้าจุลนีธรรทัดว่าข้าแต่พระองค์ผู้ปิดศึกข้าพระพุทธเจ้านะข้าพระพุทธเจ้าวิเทียราชกสัตว์แห่งกรมมิจรามหานครนะแกลมิธีหามาเพื่อถวายบังคมพระองค์ขอพระองค์ทรงพระราชออสิณะ พระองค์รงพระรายาทานพระราธิดาพร้อมด้วยสาวสัก่กำนันในให้น่ให้แกข้าพเจ้าภายในบัดนี้เถิดโอโห่หิวว่านานหิวตั้งใจมาเวลาเดินทางมันน้าลายคนหยดแปะแปะแปะนะควายแกย่จะล่ อ, อยาอ่อนนี่โอโห่แต่ยางต้มปูเนี่ยยาอ่อนมาให้ตะเกี่ร์ร้อยอพันยาก็ไม่ไหวแล้วโรลานที่รัก ตู้เขาไม่ได้แล้วเห็นหน้าเขาสาวก็กลัวให้บอกยจะยกตู้สาวให้หนะ้าก็จะขาดใจตายไปเลยเพราะอะไรว่าตัวเองก็ลุกไม่ไหวแต่จจว่าเจ้าวิเทียรัตเป็นท่านยังมีแรงมีแรงสู้เประนนว่าคุยเรื่องท่านต่อไปพระเจ้าจุลนีได้สนับรับสายเขาพระเจ้าวิเทียาราตตามที่โทษนํา ม, มาถวายแล้ว จงดีพระไทยเขาบอกว่าจงปรีดาปราโมทเป็นอย่างยิ่งคราวนี้หมูตัวใหญ่ก็มาแล้วหมูตัวเล็กมาก่อนหมูตัวใหญ่มาทีหลังเราจะเล่โอโหกินทั้งส่เนื้อ น, นอกไส้ไหนว่าแันสาเร็จเจ้าเล่ยโซนลิวว่าปัจจามิตร้ายของเราคราวนี้จะหนีจากเงื้อมือของเราไปไม่ผนแล้วตีกลับ พอดูนะกกดักลับคงไค่จะต้องไข่กว่าไข่โรงลานที่รักฟังไปแล้วก็คิดตามไปด้ดยว่าดูด้วาใครพิชณใไรแล้วเราพูดต่อไปเราจะตัดทีสะเท้าสองคนซื่อว่าเจ้าวิเทยรายกมหฮโสดแล้วก็ยันลืมน้ำชายบาลกินเหล้าสินายชายบาล ไอ้บานตรนี้มันบานบอสอสรา น, นอนเสสะกดมัน บ, า น, บาน่ะบานบานเบลอเรื่องชนะใหญ่ก็นนี้ใช้บาลดยชนะครั้งใหญ่เนะ่ะไอ้บานนี่มันใหญ่เบลอถ้าบาลรอลิ้ยงเสสะกดระรักษาเราจะลืมน้ำชัยนะครั้งใหญ่อันนี้ดีกว่านะ่ะครังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเราจะได้เป็นจักรพรรดิปกครองโลกเวลานี้เมืองทุกเมืองก็ขึ้นกับเราหมดแล้ว เหลือเมืองเดียววิธีหาทานั้นแล้วก็เจราหนี้ทรงทำแสดงแบบการชื่นชมสมนัตต่อหน้าโถดยิ้มชื่นใจมันต้องยิ้มเถะเพราะไฉเนรจะเข้าว่าถึงนี่มันต้องยิ้มก็ น, นี้แน่แล้วโม่ อ, อ๋ยโม่อ๋ยเธอโดนละฉันจะกินไส้ในเห็ น, ก, นกินตับกินไตกินเนื้อกินหนังกินกระดูก กินข้าวกินหมดหรือเปล่าไมาทราบถ้ากินหมดท้องโตแล้วกินกับเปรี้ยวเข้าไปด้วยเดีเสร็จมันมีแรงมากเป็นน้ำตาเธอถ้าทําหน้าชื่นตาบานตัวหน้าโทษแล้วก็มีพระราชทานรางวัลแกโทษตามสมควรคนจะขนก็ดเปการใหญ่ไอ้ขอที่ฉันให้แกเนี่ยปเดี๋ยวฉันก็ได้กลับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพย์ ส, สมบัติในวิเทหารหมดเขาเป็นของฉันหมด เวลานี้ขนทอให้สักสามพันแท่งมันก็เลยแปลกแล้วพระองค์ได้ทรงได้ให้ทูตนำพระราชสารตอบของพระองค์ไปนำไปถวายพระเจ้าวิเทหราชในสารนั้นมีใจความว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงนามว่าวิเทหราชพระองค์เสด็จมาดีแล้วเสด็จมาแต่ไกลก็เหมือนใกล้ พระ อ, องค์ทรงพระองค์ทรงตรวจเน่หาเรือกแ ม, ม่เพื่อทำพิธีาว่ามงคลเกิดหมายความว่าก่อนที่จะแต่งงานกันเนี่ยอยู่ๆก็จะยกตูสาวให้ไปกอดเฉยๆมันไม่เหมาะหาเรือกทํา ม, มันดีซะก่อนจะได้มีลูกดีๆข้าพรเจ้าพร้อมที่จะถวายพระราชธิดา ก้าร้อยเลยสาวสัยก็มันไหนให้แก่โอนในบัตรมีแล้วไปะเ่้าแหมสวยสวยจริงๆแหมพูดเลาะนะยิ้มเขานี้เสียท่านคงคิดว่าเจ้าหมูเอ๋ย่อยาอ่อนนั้ไม่ได้กินแล้วอ่นานอร่อยไม่ได้กินจะกินก็น ก, น ก, นกินดาบสำหรับพระเจ้าเวทาราเดชรงอ่านสายเข้ามาเจ้าเจริญนิพาทัดแล้ว ก็ทรงมีพระไทยไข่จะได้พระราชิดาปัญจารจันทีโดยไม่ได้ชักชา้ายังไม่ได้แกโทษให้ไปทนว่าวันนี้ละเลิกลีแล้วขอให้ส่งพระราชิดามาได้แม่คุณจะหุจัดนะนั่งคอยต้องสี่เดือนเขาจะตั้งท่าวาดภาพว่าถ้าได้คนสวยมแล้วจะทำอะไรบ้างทำแบบไหนไม่เลี่สมใจรัก ความจริงเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่ของแปลกถ้าลูกหลานที่รักยังเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือถ้ า, าเคยแต่างงานมาแล้วก็นึกถึงความหลังในเวลาที่เรากำลังรักกันในระหว่างคู่รักมันก็นั่งวาดภาพแล้วสวยสวดเพรางามแต่ถ้าแต่งงานเข้ามาแล้วจริงๆไอ้สิ่งที่เราคิดมันหายไปหมด มันยังมีคู่ความพื่นใจยิ่ชั่วขนาดเดียวเท่านั้นในที่สุดความทุกข์ก็จะเข้ามาถึงเพราะอะไรเพราะว่ากายครองเรือนเป็นของหนักจะต้องรับภาระทุกอย่างเอาอกเอาใจได้กันนางสอฝ่ายเราพ่ออย่างนี้ไม่ไย้ฝ่ายคู่ตัวผัวเมียมันเป็นพักพวกค น, นสองฝ่ายด้วยเราได้แบกนั้นหนักกำลังใจของคนองสองฝ่ายนับจะนอนไม่ทน พระพุทธเจ้ากล่าวว่าปียโตชายาเตโสโกปียโตชายตไปอย่างความเศ้าโศกเสียใจเกิดจากความรักแล้วก็ภัยอันตรายมันก็เกิดจากความรักเนั้นเมื่อความรักเกิดขึ้นแล้วเมื่อความรักมาสะดุดเราก็ต้องทะเลาะกันดีไม่ดีก็ต้องอย่าร้างกันรักกันมากมีลูกมานัา่นแหละ การค่าใช้ใจ่ายมันก็สูงแม้พวามหนักให้ความสวยสดวยงามมันก็ไม่ทรงตัวเดี๋ยวก็เหี่ยวเดี๋ยวก็แห้งลงไปในที่สุดความที่ตั้งใจคิดว่า จ, จะรักประคองสิ่งที่สวยนั่นก็สวยไม่เจียงสวยไม่นานในความซุบโิบมันเกิดขึ้นมาในคราวใดในคราวนั้นใจมันก็หดโหูพระเยซูบารมเคือยังกล่าวว่าความเศร้าโศกใช้ใจเกิดจากความรัก ในสมบพระเจ้าวิเทหราชมีภัยอันตรายจะเกิดพระองค์ก็เพราะความรักที่เป็นกลายเป็นหมูเขา้าคอกถ้าหากว่าาโหสดไม่มีนะคราวนี้ตายแน่ฟังเรื่องราวของท่านต่อไปพระเจ้าจุลนีได้ทรงสดับดังนั้นเจนิตัดเจนิตัดรืองว่าเราจะส่งไปเดี๋ยวนี้เพ่ให้ทูดรีไปเชิญพระเจ้าวิเทหราชเล ไม่ทูกเปแล้วพระเจ้าจุล น, น, นีจะได้ให้สัญญาณกับพระราช า, า, า, าร้อยเอ็นครร้อยเอ็องนะพร้อมไปด้วยทหารทั้งหลายหลายแสนคนที่เตรียมไปก่อนแล้วก็ให้ออกรบแมนนอมัอมเมาล่าแทานนี่เนี่ยปีปโตชยเตโซโกโปีโตชายเตพยงัง ความเศ้าโศกเสียใจเกิกดเกิดความรักภัยร้ายเกิเกิดจากความรักพระเจ้าวิเท迦รัตมาเพราะความรักคราวนี้ต้องต้องท้อพระทัยตกใจตกใจคือเสียใจไหมแทนที่ได้รับสาวกลายเป็นกอด า, านและแทนที่เราจะได้รับความชื่นชมยินดีอันตรายใหญ่จะมาถึงเห็นไหมให้ความรักเนี่ยมันเป็นภัยใหญ่ ที่หัวปู่พูดอย่างนี้ไม่ต้องการให้ลูกหลานทั้งหลายไม่แต่งงานแต่ว่าจงจำไว้ว่าการแต่งงานเป็นอันตรายสำหรับชีวิตเป็นบาเกิดแห่งความทุกข์ของชีวิตแต่ว่าไม่ใคดขอใครนะใครจะแต่งงานก็ได้ดีแต่งงานเมื่อไรพระรวยเมื่อนั้นพระได้ไปฉันกินข้าวด้วยได้สตังค์ด้วยดี ลองอกสให้พระราชาทังร้อเอ็ดพร้อมมิหารหลายแสนคนที่เตรียมไว้ก่อนให้ออกครับแล้วก็ตรัสประทับไปว่าวันนี้พวกเราจะตัดที่ศาลข้าศึกทั้งสองวันพวกงนี้จะได้ดื่มน้ำชัยบาลเอาละกินไปและ้ะเขาพร้อมแล้วนะระวังระวังนยะไอ้การนี้ใครก็บอกว่าให้อะไรดีๆเนะี่ย พิจารณาดูสัก่อนราชาร้ออิทรองพร้อมวิจัยหันก็พายกันเครื่องขบวนทัพออกไ ป, ปตามรับสัง่งไม่เห็นไม่รู้หลานเถิดที่เราต้องรับสั่งจากภายนอกประเทศเข้ามาทําลายประเทศของเราแต่หากว่าเรายึดประเทศของเราได้เราก็ต้องอยู่ตามอำนาจของเขาสุดแล้วแต่เขาจะดสัง่ง ดูตัวอย่างพระเจ้าจุล น, นีพรมทั ก, กับปรราชาร้อยเอสนครความจริงเมื่อเขายึดได้แล้วเขาเอามาเป็นทาสจะทำไรต้องทำตามใจที่เขาสั่งไม่ใช่ว่าเขาจะให้อะไรเรามาฟรีๆแล้วก็ถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้แล้วคิดว่าเราจะดีจะมีอิสรภาพดูตัวอย่างลาวกระเขน แล้วก็ดูตัวอย่างเยืนต้องอยู่ในอัลลัคของผู้ให้อยู่เสมอท้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าฝ่าฝืนเมื่อไหร่เมื่อนั้นจะหลายตัวเล่าเรื่องท่านต่อไปพระเจ้าจุล น, นีมาเสด็จออกจากยุทธสงครามเมื่อจะออกอเมื่อจ ะ, สะเสด็จออกเพื่อทํายุทธสงครามได้ให้พันนางสลกักนะพันนางสลักกเทวี ราชมานดาที่เป็นแม่นะสมเด็จพระชนนีกับว่านางันทาเทวีเอกครมเหสีปัญจาระกุมารราชโอรสแล้วก็ข้านางปัญจาระจันทีพระราชธิดารวมสี่พระโอให้ประทับอยู่ที่ตำหนักเดียวกันเพราะนั้นโดยด้วยนางสนมทั้งหลาย เสร็จแล้วพระองค์ก็เสด็จออกคำสงครามแรงจัตตหารล้อมพระนครที่พระเจ้าวิเาหราชประทับติดต่อกันทั้งสามชั้นโอ้โหเหมาะเหมาะเสร็จหมูเสร็จคราวนี้มีคนจุดคบเริงนับได้แสนแแลดูเหมือนกับเวลากลางวันสว่างส ว, ส ว, สวยหมดเป็นยกทัพกลางคืนนะ ถ้าพูดเข้าไปตอนเย็นก็จะส่งเข้าไปก็จะส่งมามันก็คำาพอตาอยข้ามก็ยกลูกสาวคือหอกนากไปให้เห็นไหมล่ะจำไว้มีลูกหลานที่รักที่เป็นสตรีใครเขาบอกว่ารักก็ต้อ ง, งระวังถ้าเนื้อแท้ที่เดียวก็จงอย่าปล่อยกายปล่อยใจให้มากเกินไปถ้าหากเขาได้ริมรถแล้วใชไม่มีใครเขาต้องการเรา เขาคิดว่าเราเป็นคนใจง่ายแต่ถ้าว่าสมัยนี้รู้สึกหนักหนักใจอยู่นิดหนึ่งอะไรมันเป็นประเทีนี่ไปหมดคนรี้สุดความเศร้ากำสดก็ดมาตกอยู่กับฝ่ายสาวแต่ฝ่ายชายที่บ้าบอๆก็มีนิปรายคนละ่าตรักเข้าสักทีก็รู้สึกอยากจะผูกคอตายค่าตัวตายก็มีเหมือนกัน อันนี้หลวงปู่ไม่เห็นด้วยพระเจ้าชู้มาพอพอเรื่องนี้รู้เรื่องดีเป็นอนุาตเมื่อไฟก็สว่างคล้ายๆกับของวันก็เตรียมยึดเมืองเมืองเล็กๆเมืองเด็กๆสร้างใหม่ปเดี๋ยวก็เจ๋วเป็นอนุญาตครนี้เราก็มามองดูขัาด้านพระเจ้าวิเทธาราชหมดท่าแล้ว พระเจ้าวิเทหราชเห็นกองทัพใหญ่มานั่งกอดเขาเ่าจ๋องเรียมาห้อยสดมาพอมาห้อสดจ๋าทำไงล่ะแทนที่เราจะได้รู้สาวเราจะได้ดาบได้หอ่อเราทำาังไงเราจะจ๋ไหนลูกบอกว่าที่ลูกจะทํายังไงสําหรับมาห้อยสดมัณฑิตทังฉันทราบว่าพระเจ้าจุลนียกกองทัพมาแล้วพระนครในตนสร้าสร้างไว้โดยรอบ โยเรียกทหารสามร้อยคนมาสั่งว่าแม่ให้ามาเป็นแสนเขามาเป็นแสนนะทหารเขาบอกเขาสดเอาเรียกมาแค่ได้สามร้อยจะไม่ดีนะลูกหลานที่รักว่าเรคิดว่าเขาชำนาญในการรบเขามีกําลังมากกว่าคนที่มากกว่าจะชนะคนน้อยนะไม่แน่นักมันอยู่ที่กําลังใจแล้วก็ปัญญา ถ้าเราคิดว่าเราจะถูกฆ่าตายเราก็ตั้งใจคิดว่าอย่างน้อยเราก็ต้องแลกกันหนึงต่อห น, นึ่งเพียงแค่ น, นี้เนะี่ยเป็นการรบเป็นของไม่หนักแล้วก็อย่าแพ้ไม่ได้เมื่อพระศพเรือทหารสามยคนมาสั่งว่าพวกท่านจงไปตามทางอุมโมงค์ไ น, นไมนะ่ได้ลงอุมโมงสร้างในเะมองไปขึ้นที่โน่นะที่บันไดไปจับ พระราชมันดาพระมเหสีพระราชบุรพระราชธัมมณีพระราชธิดาข้าวเจ้าจุนณีไปเอามาให้ได้แล้วก็กลับมาทาวโมนันพวกองทัพเลยนะสิโผขโมยแล้วแล้วก็ให้อยู่ในอุโมนั้นเอามาแล้วให้พักอยู่ในอุโม ตั Gott, ata, oh ho, いい้งกองรักษาไว้อย่างแข็งแรงจนกว่าเราจะกลับมาอเสร็จเสร็จแล้วใครเป็นหมูใครเร็ยฤสีเสร็จจนกว่าเราจะกลับมาจึงค่อยนำออกจากโมเม่อจ้างแล้วทหารก็ทำตามนั้นทหารไม่รักคำสั่งของโบของมโหสถจึงได้ประเข้าไปในโมเปิด ไม้ที่มาหัวสดปูร่าดไว้ที่เชิงวันไดเนีเสียท่ากัาตอนนี้่ขึ้นไปจับคนที่รักษาเชิงเทินไอ้คนรักษาเชิงเทินมันมีไม่กี่คนเชิงวันไดนะขึ้นไปจับเจ้ทหารรักษาวันไดอย่างเวลานี้เข้าไปเข้าเขาจะอยู่หัวเห็นนายโสดยืนต่ออยู่คนเดียวมีอาวุธเปล่าเขาไม่ทราบมันเรื่องไม่ยากเลยขึ้นไปจับคนรักษาเชิงวันไดแล้วคนรักษาตั้หนัก จับนางบำเรอนางค่อมนางแคระสาวใช้ไม่เยอะม่หลายแบบแล้วก็คนอื่นๆทั้งหมดมัดมือมัดเท้าเอาผ้าปิดปากไม่มีเสียงร้องแล้วก็ชวนกันกินเครื่องสเสวยที่จัดไว้ถวายพระเจ้าจุานี้แนเอาล่ะสิแลอ่อซอิมเลย แล้วว่าเททิ้งของที่เหลือไว้เกลื่งกลาดกินมาเหลือก็เทซะด้วยนี่ไม่ให้กินต่อไปพุบทำลายพาชนะแตกเสียหายไปทั้งหมดไม่เหเลนะือเสร็จแล้วก็ขึ้นไปบนเปนสายเคาะประตัวร้องเรียกันนาสนาบเทวีพระรชิตนนีเกียงเปิดประตูออกมาแต่ถามว่าพ่อคุณมาทำไมกันจะ๊ะ บรรดาทหารนั้นจะเสียแซงแกล้งกราบทูลว่าข่าแต่พระแม่เจ้าพระเจ้าวิเทหราชกับสมุหกมโหสถถูกพระราชาและทหายของเราจับข่าก้นแล้วหม่ปลอมเป็นจดฐานในเมืองนะคราวนี้แหละพระเจ้าจุลนีสมัุจะได้เป็นเอกอัครอ เอกอัณะมหาราชโอ้โหมหาราชพลเลิศคลองโลกจะมีการปกครองและสมบัติในสก น, นจมโพทวีปทั้งหมดไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าขณะนี้กาลังการเตรียมการเดิชพยาบาลฉลองชัยนะด้วยพระเกียรติยิ่งใหญ่พระราชาจุลณีรับสั่งให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมารับสาเนศพระแม่เจ้า แล้วพ ร, ร, ร้อมด้วสิบองค์ไปดื่มน้ำชายบาลที่ทำการรถมีซึ่งมีชายชนะประพุทธเจ้าข่าแม่นี่ถูดถึงเขาไม่ใช่เล่นนะถ้าหายขโอเขาก็เก๋ียวหอเก่งจริงๆเก่งแล้วไม่เก่งโูกหลานที่รักฟังกันวันนี้ไม่ไหวใช่แล้วสินะไม่ใช่ร้องปูรังเกียแต่เกรงไกลเกรงใจท่านเจ้าหน้าที่สถานใน ร, รายการอื่นเขามีต่อท้าย วันนี้เวลาหมดไปแล้วก็ต้องขอลา ก, ก่อนขอความสุขสวัสดิที่พัฒนะมงคลเพืนบูญบูญผลจงมีแด่ท่านเจ้าหน้าที่เจ้าศาลาในทุกคนและบรรดาญาติายยาจโยมพุทธศาสนิกชนละโลกหลานที่รักสวัสดี